อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายสิ่งแห่งประเทศไทยก็นำรายการธรมรมาราบรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่5มีนาคม2554นะคะเป็นวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนสี่ค่ะยังถือว่าเป็นปีขานอยู่นะคะสำหรับของไทยเรา รายการธรมรมาราปุโรนี้มีเสนอให้ผู้ฟังได้รับฟังเป็นการสนทนาธรรมเป็นประจําทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะซึ่งทางรายการก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ไพบูลอภิปุโนอ่ะสิทธิเอกของพระเดชพระคุณหลวงพ่อด็ตอร์สะอาดที่โตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิภพภกรอท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอำเภอนหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะ ท่านก็จะได้มาสนทนาธรรมในประเด็นหัวข้อที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ความรู้แล้วก็เป็นมงคลแก่ตั้งผู้ฟังทางบ้านกันเป็นประจำนะคะทุกตีห้าถึงตีห้าครึ่งของวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้อย่างที่ได้กราบเรียนแล้วนะคะว่าเป็นวันเสาร์ที่ห้ามีนาคมขึ้นหนึ่งคำเดือนสี่ค่ะ วันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วประเทศและอาจจะรีบวัวทั่วโลกก็ได้นะคะกำลังใจจดใจจ่อกับงานสำคัญงานหนึ่งก็คือจะเป็นงานพิธีพระราชทานเพลิงพระสรีละสังขารของอพระเทชพรกคุณหลวงตามหาบัวหรือพระธรรมวิสุทธิมงคลท่านเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด ซึ่งวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จ, จะทรงพระกุณาสเด็จพระราช ด, ดําเงินไปเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพถวายแด่สรีลาสังขารของหลวงตามหาบัวนะคะซึ่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น a m 819ก็จะได้ถ่ายทอดเสียงให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทั่วประเทศได้รับฟังและรับทราบ พิธีด้วยนอกจากนั้นนะคะในส่วนของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11ก็จะถ่ายทอดอพิธีงานพระราชทานเพลิงถวายแด่พระสรีรัสังขารของหลวงตามหาบัวเช่นเดียวกันค่ะจะเริ่มถ่ายทอดสดให้ชมกันทางทีวีช่อง11นะคะในเครือข่ายพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่เวลา4โมงเย็นหรือ16นานกาเป็นต้นไปค่ะ ค่ะสำหรับงานพระราชทานเพลิงศพถวายแด่สริลาสังขารของพระเดชพระคุณหลวงตามหาปัวซึ่งเราเชื่อกันนะคะว่าท่านได้นิพพานนะคะอันนี้ก็ในการสนทนาธรรมในเช้าวันนี้ดิฉันก็อยากจะขออาราธนาพระเดชพระคุณพระอาจารย์ไพบูลนภิพุโนโดได้มาสนทนาธรรมให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังถึง ข้อคติธรรมเกี่ยวกับเรื่องของบรรณานุสติค่ะวา่าเมื่อเราได้ร่วมจิตร่วมใจนะคะที่จะน้อมอขอเรียกว่าข อ, อมขมาต่อสรีลาสังขานของหลวงตามหาบัวหรือพระธรรมวิสุทธิมงคลซึ่งเป็นพระผู้ทรงกุลอันประเสริฐนะคะรักษาศีล ร, รมอย่างดีแล้วก็ท่านได้เทศต่างๆมากมายซึ่งให้แง่คิด นะคะให้ความรู้ให้ทางสว่างแก่พุทธศาสนิกชนชาวไทยเรามาเป็นเวลายาวนานหลังจากที่ท่านได้ลาสังขารหรือนิพพานไปเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมาวันนี้ก็ถึงวันที่พุทธศาสนิกชนะจะได้ร่วม งานพระราชทานเพลิงถวายแด่ศิริสังขารของอ พ, รพระเพลศพคุณหลวงตามหาปัวกันนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังม า, ากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบุญอภิปุนโนแห่งวัปดป่าดอนไหายโศกกันเลยนะคะกราบเนื้อประการเจ้าค่าพระอาจารย์เจ้าขาอาจารย์ บ, บ, ยบอลวันนี้หลังจากแข่งข้าตธร ม, มาก็จะไปที่ที่วัดป่าบ้านศาส์เหมือกันเราจะไปร่วมงานพระราชทานผลศพนี่แหละเจ้าคะ่ะ สาธุยมขออนุโมทนาบุญด้วยนะเจ้าคะโยมก็ได้ฝากปัจจัยไปร่วมงานแต่ว่ JI, so to า, e c, าไม่มีบุญที่จะไปร่วมงานด้วยตนเองก็เลยต้องกราบท้าอาจารย์ด้วยนะเจ้าคะรวมทั้งท่านผู้ฟังท่านอื่นๆที่ไม่สามารถเดินทางไปก็ก็เรื่องการเดินทางมาหรือว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ในพระพุทธเจ้าบอกไว้ แต่เคยตรัสไปบอกว่าถึงแม้ว่าใครเนี่ยจะดับชายสันติเราเดินตามไปข้างหลังเนี่ยนะ <Okay. S 2> แต่ถ้ามีจิตเนี่ยมากไปด้วยความกำลัดกล้ามีอัติชามีความเต้งเรงมีใจสัดสายหมุนไปผิดไม่เป็นสมาธิมีความเหเกราเนี่ยชื่อว่าไม่ได้อยู่ใกลอแต่แต่ว่าถึงแม้จะอยู่ไกลเป็นรอยยศ อยู่ไกลข้ามช่วงเวลากันเป็นพันปีนะหรือไม่ได้เคยไปพบเจอท่านมาก่อนแต่ถ้าจิตเป็นสมาธินะไม่สัสดสายหมุนไปจิตมีจิตมีเมตตาอะไรต่างเนี่ยอยู่ในธรรมเนี่ยที่ว่าอยู่ใกลเอาเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดกันจริงๆเนี่ยก็คือว่าอยู่ยยบ้านไม่ด่าใครไม่ว่าใครทําจิตให้เป็นบริสุทธิ์สายสะาดนะมีศีลมีสมาธิมีปัญญาถือว่าบูชาแล้ว <S <S <S อ่า เพราะฉะนั้นจะมาถ้าสะดวกมากก็มาถ้าไม่สะดวกมาก็อยู่บ้านปฏิบัติธรรมก็ชื่อว่าบูชาแล้วเหมือนกันเจ้าค่ะก็คือปฏบิบัติบูชานะเจ้าค<ช>่ะตั้งจิตแล้วก็ดูการถ่ายทอดสดทางช่องสิบเอ็ดรวมทั้งหรือจะฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเครือข่ายทั่วประเทศก็ได้ทางเอ็มแปดหนึ่งเก้านะเจ้าค่ะใช่สวัสดีว่าเรื่องการอ่ามรณะภาพของลูตามาบวษ ก็เป็นลักษณะว่าพระรัชกาเนี่ยเตือนไว้แล้วนะว่าเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นมีหลายครังในสมัยประชานี่ยอย่างเช่นพระสารีบุต ร, รประนิพานพระอนนท์ก็เศร้าโศกเสียใจก็ได้เป็นพระนอนนท์อยู่หลายประเด็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมพุทธสาสนิกชนคนที่นับถือพระพุทธประรมประสงค์เนี่ยควรจะต้องใจเหตุการณ์นี้ยิ่งเป็นเครื่องเตือนสติเลย ว่าความตายเนี่ยโอ้โหมันมันจะเรียกว่างไงไม่แน่นอน <Okay. S 1> หรือจะบอกว่าแน่นอน น, นะแน่นอนถ้าคนเกิดมาแล้วต้องตายอันนี้แน่นอน <Okay. S 1> แต่ไม่แน่นอนก็คือว่าความตายนี้ดับไปได้แต่ทาให้ถึงความสิ้นสุดได้จ <Okay. S 1> ุกค่ะหมายความว่ายังไงหมายความว่าคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยไม่ช้าก็เรยวต้องตายแน่นอนจ <Okay. S 1> ุกค่ะตายแน่นอนเนี่ยคือไม่ตายด้วยโรคใดโรคหนึ่งก็ตายด้วย พระศาลาขันหมอที่รักษาเราเนี่ยก็ยังต้องตายเหมือนกันนะเทวดาหรือว่าพระองค์ไหนที่เราไปบนบานสารกล่าวว่าเจ็บแล้วอย่าให้พระรามเลยนะเขาก็ต้องเจ็บก็ต้องตายเหมือนกันอันนี้เหล็กเลี่ยงไม่ได้เลยขนาดสามาสัมพุทธเจ้านะโอ้โหมีบุญมาก ม, มายมหาศาลเนี่ยก็กลายมาเล่าถึงการแตกตับเป็นธรรมดานะพระเจ้าอย่างเงี้ยรัสสังขารตายอายุแปดสิบปีเนาะเสร็จมันตายาบวกก็เก้าสิบแปดอย่างเงี้ยนะจุกค่ะ แล้วก็นั้นความตายเนี่ยสิ่งเป็นสิ่งที่แน่นอนสําหรับสิ่งที่เกิดมาแล้วเป็นสิ่งที่เทวดาเทพมารพรมหรือใครใในโลกไม่สามจะได้เฉะนั้นเป็นสิ่งที่เป็นภัยที่แม่ลูกเนี่ยก็ช่วยกันไม่ได้ด้วยแต่ถ้าแม่ที่ไหนเนี่ยจะมาบอกว่าเออฉันตายเองลูกฉันอย่าตายกันไม่ได้แต่ถ้าอย่างลูกเนี่ยบอกว่าเออฉันจะตายเองแม่อย่าตายอันนี้ก็ช่วยกันไม่ได้ เป็นภัยที่ช่วยกันไม่ได้เป็นภัยที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้อู้เชี่ยวชาญเคยเปรียบเทียบไว้เหมือนกับว่าถ้าไฟไหม้น้ำท่วมอะไรอย่างพวกเนี้ยังบางทีแม่ลูกยังช่วยกันได้แต่ภัยที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายนี่ช่วยกันไม่ได้มีครั้งหนึ่งมายังเป็นเด็กอยู่นะช่วยมาขอโยมแม่อย่างเงี้ยโยมแม่ปวดขาตื่นขึ้นมาประมาณีสามตีสี่ สมัยนเราเขยังเป็นเด็กเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรแม่ตื่นมาหมาปวดขาเราก็ไป่มาช่วยเป็นนวดช่วยไปกดสามสิบนาทีสี่สิบนาทีก็นนี้ก็ยังไม่หายปวด mm hmm. เราก็มีความคิดว่าเออเราจะปวดไม่เอาได้มไหมมัน mm hmm. ไม่ได้เลย mm hmm. และภายหลังมาศึกษาธรรมะของพระเจ้าเนี่ยไประลึกถึงเหตุกรากรณ์นี้เน mm ี hmm. ่ยไม่ได้จริงๆเราจะมาปวดแทนแม่ให้แม่นอนสบายเนี่ยไม่ได้อืมใครที่ช่วยกันไม่ได้แต่ว่ามีอยู่อย่างหนึ่งแต่ซึ่งสามารถ ละเลิกภัยที่ช่วยกันไม่ได้พวกนี้ได้คืออะไรเจ้าคะนั่นคืออารยมรคมีอองแตกอภิชาบอกว่าอารยมรคมือองแตกเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถช่วยให้ภัยที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้นะให้ละเลิกตรงนี้ได้จะไม่สิ้นไปได้อย่างกรณีของถ้าเราเดินตามมรคมีอองแตกเนี่ยเราจะสามารถทําให้ได้เป็นถึงพระคารานได้ถ้าคุณเป็นพระคารานแล้วเนี่ย ก็จะไม่มาเกิดไม่มาตายแต่ถ้าไม่มาตายไม่มีการเกิดก็ไม่มีการเสด็จไม่มีการแก่ไม่มีการตายปัญหาเหล่านี้ก็หมดสิ้นไปเลยโดยทันทีแต่ก็คือเป็นเพื่อละเลิกปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดแล้วคนที่เกิดมาแล้วอย่างเราเนี่ยจะทำยังไงใช่หไหมก็พระเาก็ให้ทําความเพียรเพื่อที่จะให้ถึงซึ่งความไม่แก่ไม่ตายอย่างนี้ ออย่างพระแม่กวาจารย์ต่างๆที่ท่านเพียรปฏิบัติอยู่ในป่า ก, ก็ตามหรือว่าแม้แต่ตัวพระพุทธเจ้าเองเนี่ยที่ปรัสรู้แล้วก็มาออกบอกสอนเนี่ยก็ทําเป็นตัวอย่างในเรื่องที่จะทําความเพียรให้เห็นซึ่งความไม่แก่ไม่ตายนะทีนี้ว่าออย่างในกรณีของคนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนะเรื่องความตายที่บอกว่าเป็นเรื่องที่แน่นอนก็คือในลักษณะนี้อคือมันไม่วันใดก็วันหนึ่งในเจ็ดวันคุณเกิดใจใแม่วันจันทร์ก็วันศุกร์ มันเปือ้อนวันสาวประลาทิศเจ็ดวันนี้แน่นอนวันใดวันหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่าความตายเนี่ยมันไม่ไกลอยู่ในใจเรามากเนี่ยอ่าก็ควรที่จะต้องคอยระมัดระวังคือคอยที่อยา่าอย่าประมาทคือหมายความว่าไงก็คืออย่างความตายเนี่ยคุณเตือนใายมันเขรียกว่ามีความเศร้าติดอยู่ในในตัวมันนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างถ้าเราไปเรียนต่างประเทศย้ายที่ทํางานไปต่างจังหวัดเนี่ยห้าวันสิบวันหาปีสิบดียวอย่างมาเจอกันได้ ความตายเนี่ยมันมันไม่เจอกันเลยคือจบเลยคุณไม่เจอเขาอีกแล้วไม่ได้มาพูดคุยเล่นหัวมาพบปะเจอนะจบเลยข้าวของอะไรที่เขามีอยู่นะเอาไปไม่ได้เลย่อาเราเห็นข้าวของของเขาอย่างเงี้ยที่เขาทิ้งเอาไว้เสื้อตัวนี้เขาเคยใสย่เก้าอี้ตัวนี้เขาเคยนั่งของอันนี้เขาเคยใช้ไม่ได้เลย อย่างพระสงฆ์เนี่ยเวลามีพระภิกษุตายคือวารสิกขาไปหรือตายในเพศสมณะเนี่ยของทั้งหมดบริการทั้งหมดจะเป็นบาทรจีวรรองเท้าร่รมอะไรต่างๆตกเป็นของสง่งที่ศุขอื่นสามารถไปที่ชะนนาพาังสกุลได้ทันทีอืมเจ้าค่ะอันนี้คือคนณื่นเอาไปเลยนะพ่อแม่คุณอยู่ไหมถ้ายังไม่อยู่ที่ถ้าท่านตายไปล้วเสื้อผ้าของท่านทั้งหมดคุณเอาไปใช้ได้เลย ท่านไม่มาต่อไปใช่อีต่อไปแล้วใช่ค่ะนี่คือความตายมันจึงคือความตายเลยเป็นทุกข์ของคนที่กำลังจะตายแต่ความพัดพลาด เ, เป็นทุกข์ของคนที่ยังอยู่ใช่ค่ะเพราะว่าคุณต้องพัดพลากกับเขาแะไม่ได้เจอกันอีกต่อไปนี่คือความตายจึงเป็นทุกข์ใช่ค่ะและคนส่วนใหญ่ก็จะกลัวความตายกันเพราะว่าอจะไม่ได้เจออีกกลัวเจ็บมากนักเตอร์ใช่ค่ะกลัวว่าจะไปไหนเพราะว่าเพราะว่ามันไม่แน่เวลา เวลาจิตของเราดับไปสั่งใจนี้เนี่ยไม่สามารถมาเจ้าลงในกายนี้ได้อีกเนี่ยถ้าจิต ด, ดวงนั้นเนี่ยสิตนักขนาดนั้นเนี่ยยังมีเชื้อของการเกิดอยู่ยก็จะต้องไปเกิดะการไปเกิดตรงนี้เนี่ยก็ก็ต้องวัดดวงกันลนะคุณจะไปเกิดที่ไหนจะไปเกิดดีหรือไม่ดีแตเพราะนั้นถ้าเกิดอมีความคิดดีอยู่ในขณะที่สุดท้ายนั้นก็จะไปเกิดในที่ดีแต่ในที่ดีก็คือมีอะไรมีสวรรค์มีมนุษย์นะ อย่างนี้เป็นเป็นที่จะไปเกิดได้ <Okay. S 2> คือเพราะนั้นต้องคิดเรื่องดีๆจะนี้ว่าถ้าผิดเราคิดไม่ดีไปคิดเรื่องปรับทำเมื่อก่อนที่เราเคยทำมา <Okay. S 2> ความไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ผิดไม่ดีเลยนะผ <Okay. S 2> ิดไม่ดีตรงเนี้ยจะเป็นอาหารของการที่เราจะไปเกิดในที่ไม่ดี <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นที่ไม่ดีก็จะเป็นนรกกำเบิดโดยสารไปวิสัย ซึ่งตรงนี้น่ากลัวมากคุณตุลใจอันตรายมากๆเลยเพราะว่าถ้าไปเกิดในนรกกาเนิดเทเลสานเปิดวิสัยเนี่ยมันเป็นการจองจำที่คําพบคําชาตมชาเป็นการจองจำที่ปวดแาบเดือดร้อนมากพระเจ้าบอกว่าไม่มีการจองจำไหนที่จะโหโดโและทรมานเท่ากับในนรกกาเนิดเทเลสานและเปิดวิสัยเต่ถ้าจะให้ดีอย่ไปทีนี้มันก็ต้องอยู่ที่ว่าเราทําตอนนี้เนี่ยถ้าณวิญญาทีนี้ตอนนี้ เ, เราทําดีมากมากเลย นักสัตย์จิตสุดท้ายนะ ต, ตรงนี้มันอยู่ที่สาจิตสุดท้ายว่าเราจะไปเกิดดีหรือเกิดไม่ดีอะนะอในสมัยพุทธการเนี่ยมีพระองค์หนึ่งเขามีมีเขาเรียกว่าตาทิพย์นะพระองค์นี้ยเขาก็เห็นหมาเอ๊ะทำไมพ่อเขาเนี่ยตายไปเนี่ยไปตกหลาบแต่ว่าเพื่อนของพ่อเขาเนี่ย พ่อของเขาเนี่ยเป็นคนถือศีล น, นะมีศีลนั่งอยู่ในศีลตายไปตกนรกแต่เพื่อนของพ่อเขาเนี่ยมีศีลบ้า ง, มงไม่มีศีลบ้างกินเหล้าต้องพูดโกหกบ้าตายไปทำไมขึ้นสวรรค์งค่ะงงมากเลยพาะมงนี้งงมากมีตาทิพตัวเองก็เลยไปถามสมาคโคมไปถามพระพุทธเจ้าว่าเฮ้ยทำไมเป็นอย่างเนี้ยพรทเจ้าสอนเรื่องศีแลแสอนเรื่องธมบอกศีลไปสู่สมันแล้วทไมเป็นอย่างงี้พุทธเจ้านิ่งไม่ตอบพอพามงนี้เห็นพุทเจ้านิ่งไม่ตอบก็เลยเดินนีไป าพระธรรมนิษฐก็มาถามมาดิ้บปราร์ตซ่เหตุผลได้ไหมทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะภุริยาก็อธิบายให้ฟังบอกว่าเพราะว่าขณะจิตสุดท้ายแต่ถ้าขณะจิตสุดท้ายเป็นบวกเนี่ยก็จะไปไปดีถ้าขณะจิตสุดท้ายเป็นลบก็จะไปตีต่ําีนี้พราหม์ที่เป็นพ่อของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะถือศีลมาตลอดเน<ช>แต่ว่าในขณะจิตสุดท้ายจิตเขาดันคิดเรื่องไม่ดีก็เลยมันจะรก ใ, <ช>ในขณะที่พราหมอีกองหนึ่งที่เป็นเพื่อนพ่อเนี่ยทําดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ว่าจิตสุดท้ายเขาทาให้เป็นเรื่องดีได้ ในคิปเรื่องบวกนาเขาก็ไปสวรรค์จุกค่ะทีนี้ว่าเราก็ต้องฝึกจิตของเราให้สามารถที่จะควบคุมจิตให้อยู่ในแดนบวกตลอดเวลาได้จ <Okay. S 1> ไม่มีความคิดเรื่องการปยา บ, บาตเปลี่ยนเบี้ยไม่ด่าใครไม่ว่าใครอย่างเงี้ยนะเพรนก็ถามถามท่านผู้ฟังแล้วก็ถามบุญเจิญใจดู ว, ว่าในปีที่ผ่านมาสองพันหาหสิบสามถว่ามีเรื่องอะไรบ้างมีเหตุการณ์อะไรที่เราจําได้ไหมขอสักสองสามเหตุการณ์แต่มันจะต้องเป็นเหตุการณ์ที่ <Okay. S 1> เขาเรียกว่าฝังแน่นในจิตของเราถูกไหมจุกค่ะ เหตุการณ์นั้นเนี่ยสอสามเหตุการณ์เนี่ยขอเหตุการณ์หนึ่งที่ว่าจะจำไปตลอดชีวิตมันจะมีแค่เหตุการณ์เดียวหรือบางปีอาจจะไม่มีเลยกันนะจุ๊กค่ะปีน้ปีที่แล้จะไม่มีสต่ปีสองสมปีที่ผ่านมาอาจจะมีเหตุการณ์นี้ที่ฉันคิดว่าฉันจะจำจาไปตลอดชีวิตถามว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเหตุการณ์ที่เราคิดว่าเราจะจาไปตลอดชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องดีคุณมีความเรียกว่าความเป็นไปได้ที่จะไปในที่ดีและหลุดจากลโลกนี้ไป <Okay. S 2> เพรา ะ, ะนั้นจึงจะเป็เรื่อที่สําคัญที่เราจะต้องฝึกจิตให้มากเลยและพอพอเราฝึกจิตให้มากอย่างนี้ได้แล้วเนี่ย <Okay. S 2> ก็จะถ้าพูดด้วยทางเทคนิเนี่ยโดยทางเทคิคก็จะบอกได้เลยว่าคุณควบคุมชะตาชีวิตตัวเองได้ว่าจะไปเกิดที่ไห น, <Okay. S 2> นดีหรือไม่ดี <Okay. S 2> แต่แล้วทีนี้ที่อาจยมาพูดเมื่อสักครู่นี้บอกว่าความตายเนี่ยไม่เที่ยงนะซึ่งอันนี้บุรุษชาวยืนยันไว้ว่าความตายเนี่ยไม่เที่ยงไม่เที่ยงยังไงก็คือว่ามันดับไปได้มันเป็นของเกิดได้มันเป็นของดับได้ ความตายดับไปได้เหรอบางคนยจงสงสัยอคนเกิดมาทุกคนต้องตายนะไม่ตายหลีกหนีความตายได้ใช่ไหมทีนี้บอกว่าก็ต้องดูว่าอเหตุของการตายเนี่ยคือมาจากการเกิดเพแปลถ้าไม่มีการเกิดเจะไม่มีการตายอย่างพระอรหันต์เนี่ยที่เสมอเป็นพระอรหันต์แล้วมีสมัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นมีพระอรหันต์ในอระยในสมัยพุทธกาลหรือในสมัยนี้ก็แลวแต่เนี่ยทุกท่านทุกองค์เนี่ยจะไม่เกิดอีก แต่ไม่เกิดอีกก็ไม่มีการตายอีกเพราะฉะนั้นการตายของท่านถูกดับไปได้ด้วยการดับของการเกิดเพราะฉะนา้นถามารถท่านทําสิตอย่างไรท่านถึงสามารถดับของเหตุการณ์เกิดได้แต่ท่านก็ไม่มีอุปทานไม่มีปัญหาละอุปทานละตัญหาได้นั่นต้งหมดซึ่งการเกิดเหตุของการเกิดเพราะฉะนั้นเราจึงต้องฝึกจิตเพื่อให้ลดเรื่องพวกความอยากปัญหาอุปาทานต่างๆเหล่านี้ลง จะทำให้เราสามารถทำให้การตายในสิ้งไปได้เจ้าค่ะก<ม>็คือว่าไม่ไม่กลับมาเกิดอีกแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายในวัฏสง<อ>าสาร <ไป S 1> อีกใช่ไหมคะใช่ช้าค่ะตรงนี้ก็มีประเด็นหนึ่งนะุกขาค่ะโยมขออนุญาตที่จะกลับไปถามพระอาจารย์ว่า อย่างที่เมื่อสัครู่ที่พระอาจารย์เล่าเรื่องพรามที่ว่าจิตสุดท้ายก่อนที่จะละโลกไปนั้นเนี่ยก็คิดมีสิ่งที่ไม่ดีก็เลยทำให้ไปในที่ที่ไม่ดีในขณะที่พรามอีกองหนึ่งนั้นเนี่ยก็แบบถือศีลบ้างไม่ถือศีลบ้างแต่ว่าจิตสุดท้ายทำดีอันนี้โยมคิดว่าก็เป็นข้อเตือนใจอย่างหนึ่งนะเจ้าค่ะว่าในการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนหรือว่าคนเราเนี่ จำเป็นที่จะต้องคิดดีทดําดีพูดดีได้อยู่ในศีลธรรมตลอดทุกวินาทีของลมหายใจเราเพราะว่าเราไม่รู้ว่าความตายจะมาถึงเราเมื่อไหร่จริงไหมเจ้าคะสูกเพงเลยคนณเสดจัยเจ้าคะสูกเพงเลยแล้วก็อเรื่องของความตายเอี่ยมันมันสุ่มเสี่ยงมากครับมันเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ยากมากดูอย่างเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อปลายปีที่แล้วน ะ, ว ค, ะคนนั่งอยู่ในรตู้เฉยๆย่ง <Okay. S 2> ถูกรดถุนมาชนตายได้ <Okay. S 2> นขนาดเอาอย่างหลงตาหมาบววยาที่ดีที่สุดเขาหามาให้ใช่หมอดีที่สุดหามารักษาโรงพยาบาลดีที่สุดพาเข้าไปทุกอย่างดีที่สุดดีที่สุดนะคืวมาสุดท้ายเนี่ยตงคุมสี่ทิศและพระอยู่เต็มทุกคนอยู่พร้อมหมดหมอก็อยู่อะไรก็อยู่เครื่องไม้เครื่องมือครบเทียบ ยังไงให้เราพจากความตายได้แต่ให้เข้าสู่ชีวิตันเป็นัมตะได้ซึ่งพระเจ้าฟันธงไว้เลยว่าทําได้นะทรายถ้าตามที่ฟังรายการ น, นี้อยู่แล้วก็มีสติตอยู่ในลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยเป็นผู้ที่จเจริญให้มากทำให้มากซึ่งทรยายถตาสติแล้วเนี่ยธรรมาตาเนี่ยชื่อว่าเธอปรารบแล้วธรรมาตาทำนะชื่อว่าเธอเนี่ยกําลังทําแล้วจุก้า แล้วถ้าใครเบื่อหน่ายในการทําให้มากเสนอให้มากซึ่งากายคตาสตินะชื่อว่าเบื่อหน่ายาธรรมตาดำโอ้ยไม่อยากสังเกตต้องไหมใช่ไม่อยากทําความเพลี่ยนหน้าตาเนี่ยชื่อว่าเบื่อหน่ายจากธรรมตารมล่ะไม่ถูกไม่ดีไม่ควรทําุขค่ะสำหรับข้อแง่คิดที่อพระอาจารย์เพบุญอภิปุโนโดได้เมตตาที่จะที่แจงในรายการธรรมาราบลุ่มเช้าวนันนี้ก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงจะได้แนวคิด หลายประการเลยนะคะจากาที่ได้เกริ่นไว้ว่าวันนี้เป็นวันที่จะมีงานพระราชทานเพลิงถวายแด่สริราชสังขารของพระเดชพระคุณหลวงตามหาบัวหรือพระธรรมวิสุทธิมงคลซึ่งท่านก็เป็นเจ้าอาวาสของวัดป่าบ้านตาดนะคะจังหวัดอุดรธานีหรือที่มีอาจมีท่านผู้ฟังหลายๆท่านไม่ค่อย คุณหูในชื่อที่เป็นทางการของวัดป่าบ้านตากนะคะก็คื อ, อเรียกกันว่าวัดเกศรศิรคุณนะคะแต่เราก็จะรู้สึกว่าเราจะคุ้นเคยกับคําว่าวัดป่าบ้านตากมากกว่านะคะค่ะไม่ทราบว่าพระอาจารย์พยบุอภิพ โ, โจรจากะเมตตาฝากท้ายในรายการเช้าวันนี้นะเจ้าคะเกี่ยวกับมรณานุสติอีกนิดนึงเมื่อสักครู่โยมไปพูดขัดเลยทาให้พระอาจารย์ไม่ได้อะ ผู้ประเด็นธรรมะที่พระอาจาตั้งใจที่จะเดินผู้ขังมาเจ้าก็จะสุดท้ายตรงนี้ก็คือว่าจะไล่ฟังมาที่เร า, ย, ารยังระลึกถึงลุงทํามาบวัวชเนี่ยเพราะคุณความดีที่ท่ทนานทำเอาไว้มากคคะนะมอบทองให้เครืกว่าทางหลวงก็ตามสงคฆ์โรงพยาบาลโรงเรียนต่างๆเนี่ยหลายอย่างมากมายจริงๆถามว่าคือสิ่งที่ตายไปแล้วตายไปแล้วร่างกา ย, แ ต, า ย, แ, ตาย แ, แตกอับปัญหาแตสิ่งที่ยังอยู่คือชื่อของเรา มีนักสังคมศาสตร์ชาวอังกฤษเนี่ยเขาทําการวิจัยก็พบว่ายี่สิบห้าเปอร์เซ็นของคนในโลกนี้เนี่ยจะไม่สามารถจําชื่อยาทวดของตัวเองได้ถามว่าคุณจําชื่อยาทวดของตัวเองได้ไหมจำไม่ได้นะยี่สิ้าเปอรเซ็นจำไม่ทราบเพราะฉะนั้นสามารถชื่อของคุณตอนเนี้ยจะถูกลืมโดยแม้กระทั้งเหรียญของตัวเองถามาว่าวันนี้คุณทําความดีอะไรให้ทําความดีให้มากๆ แต่เพื่อให้พ่เราเนจาได้ให้คุณเอก็จำได้ว่าทำความดีก็มีทรงนน้แหละนะจุกค่ะก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายอย่างยิ่งที่จะฝากให้ท่านผู้ฟังในเช้าวันนี้นะคะซึ่งรายการธรรมาราปุรุนได้กราบนมัสการเรียนเชิญพระอาจารย์พิบู์อภิปุโน แห่งวัดป่าดอนหายโศกตำบลดอนหายโชกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีมาพูดคุยสนทนาธรรมให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านผู้ฟังทางบ้านท่านใดนะคะมีคำถามอยากจะให้ทางรายการธรรมราปรุลนได้นำเสนอหัวข้อประเด็นปัญหาทางด้านธรรมะหรือสิ่งที่เป็น พระพุทธเจ้าได้ได้กล่าวไว้ก็คือเป็นพุทธพจน์เนี่ยเจ้าค่ะอว่าท่านผู้ฟังอยากฟังเรื่องอะไรก็เขียนมาได้นะคะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยการธรรมาราปุลถนนวิภาวดีรังสิทธิ์กรุงเทพ12400ค่ะหรือว่าจะเขียนเข้าไปที่เว็บไซต์ของพระจันทร์ไพบูลอภิปุโนที่วัดป่าดอนหายโศกที่จังหวัดอุดรธานีก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็เขียนเข้าไปที่เพียวรมะ .com ค่ะ p u r e h d h a w m a แล้วก็นะคะเราก็ยินดีที่จะนำมากราบนถามพระอาจารย์ไพปูณพิปโนเพื่อเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังค่ะคก็ฝากท้ายไว้นะคะว่าอย่าลืมนะคะว่าวันนี้บรรดาพุทธศาสนิกชนเราทุกท่านขอให้ร่วมกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและก็น้อมจิตน้อมใจถวายในพิธีงานพระราชทานเพลิง ถวายแด่เสยสังขารของพระฤาษีพระคุณหลวงตามหาบัวหรือพระธรรมวิสุทธิมงคลท่านอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบระ ม, มราชินีนาถจะสเสด็จพระราชนเิเวศน์ทรงเป็นองค์ประธานโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ่าจะถ่ายทอดทางเอเอ็มแปดหมื่นเก้าและสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจะถ่ายทอดสดให้ท่านได้รับชมเริ่มตั้งแต่เวลาสิบหกนาฬกาเป็นต้นไปค่ะ ในานามของกรมปจะชาสัมพันธ์ดิฉันก็อยากจะขอเชิญชวนให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านได้ร่วมรับชมแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานที่จะถวายความดีบุญกุศลที่เราได้ทำให้แก่พระเดชพระคุณหลวงตามหาบัว โดยพร้อมเพียงกันนะคะก็จะเป็นสิริมงคลอย่างยิ่งทีเดียวค่ะวันนี้คงต้อง่าทั้งบุฟนทางบ้านกล่าวนมัสการลาพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนศิษย์เอกของพระเดชพระคุณหลวงพอ่อดรสะอาดทิ่โอภาโสท่านเจ้าอาวาสวัดป่า ด, ดอนหายโศกตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดรุอดอนธานีเพียงแค่นี้นะคะกราวนมัสการลาเจ้าค่ะ่ะทุ ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้ใหม่ในวันพรนี้เวลา5้านาฬิกาถึงห้านาฬิกาสานาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ